รองศาสตราจารย์ดรสุวัฒนยรติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมทรศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมพิธีเปิดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่4ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติและสถาบันการศึกษา4ี่แห่งเพื่อเป็นการเผยแพร่ แง่งความรู schools, ้จากกระบวนการวิจ uh ัย huh. so ของนักศ um, ึกษาจากมทรศรีว um, kind of ิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาอาจารย์และนักวิชาการอีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยนํามาแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหน่วยงานสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพณอาคาร58สํานักงานคณะบดีคณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มทรศรีวิชัยสงขลา กรุงเทพมหานครมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5 ช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือที่ประสบมลพิษพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเผาในที่โลง่งหรือสถานการณ์ไฟไหม้หญ้าตามที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าในปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้า และกองขยะ 600-800 ถึงครั้งต่อปีปัจจุบันลดลงกว่า 70% สเอร์เซส่วนหนึ่งเกิดจากพี่น้องประชาชนตระหนักถึงอันตารายจากการเผาเพราะเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครได้ทราบถึงปัญหามลพิษทางอากาศที่จังหวัดทางภาคเหนือประสบอยู่จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยการสนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95 จำนวน 2,000 ชิ้นและหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาจำนวน 200,000 ชิ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอาทิเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนโดยจะส่งมอบผ่านกระทรวงกลาโหมต่อไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ